เรื่องของสมาธิมีของเล่นเยอะเลยเล่นเราติดนม่ยอมเดินปัญญาเล่นสมาธิแล้วไม่เดินปัญญาก็คือได้ของ ท, ที่มีคุณค่าน้อยทิ้งของมีคุณค่ามากงินการจะไปรู้ไปเห็นไปทรมันโน้นได้อันนี้ได้อะไรเงี้ยหาสาระที่แท้จริงไม่ได้อย่างมากก็สบายชค่วครั้งช่วคราวไปแต่เสร็จแล้วก็ทุกต่อ ไม่เหมือนกันเจริญปัญญาถ้าจิตมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วจิตวางรูปนำไอชีเขาไม่ทุงอีกต่อไปมีความสุขหัดภาวนานะหัดเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจอะไรไม่ใช่จิตก็แค่รู้แค่เห็นรู้สิ่งทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นรู้แล้วก็รู้ทานจิตนี่เป็นหลักของการภาวนาเราจะไม่พลาด อย่างเรานั่งสมาธิเราเห็นผีขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องวิจัยว่าผีจริงหรือผีปลอมเสียเวลาเห็นผีขึ้นมาแล้วใจกลัวให้รู้ว่ากลัวใจสงสัยให้รู้ว่าสงสัยอะไรเกิดขึ้นนะรู้เข้ามาที่ใจหรือบางคนภาวนานเห็นความคิดมันไหลไปจิตเป็นคนดูเห็นระหว่างความคิดกับจิตเนี่ยมีสิ่งที่ไหวๆอยู่สนใจว่ามันคืออะไรนะมันคืออะไรนะ ให้รู้ว่าอยากรู้สิ่งที่จิตไปรู้ไม่สำคัญสำคัญที่รู้ทันจิตจิตจะไปรู้อะไรไม่สำคัญหรอกจะรู้จริงรู้ปลอมไม่สำคัญหรอกแต่สำคัญที่ว่าเมื่อจิตไปรู้สิ่งทั้งหลายแล้วจิตเป็นยังไงไปเห็นผีหรือเห็นสภาวะไหวเห็นอะไรเงี้ยถ้าจิตสนใจจิตอยากรู้ว่ามันคืออะไรรู้ว่าอยากเนี่ยเห็นผีแล้วกลัวรู้ว่ากลัวเห็นเทวดาแล้วอยากขอหวย รู้อยากหรือเห็นเทวดามานั่งแล้วก็ดีใจภูมิใจคู่เก่งเ่เทวดามาเฝ้าให้รู้รู้ทันจิเลสรู้ทันใจก็เข้ามาถึงจิตแล้วเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องสำคัญภาวนานให้มันได้จิตได้ใจรู้เท่าทันจิตใจของเราให้ได้ง่ายๆไม่มีอะไรหรอกอย่างเห็นเทวดามานั่งอยู่ ถ้มานั่งนึกเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมเนี่ยอันนี้จิตฟุงซ่านหรู้ว่าฟุงซ่านเทวดามาโอ้ยกูเก่งเทวดามาอนุโมทนา ก, ก, กูเก่งกูเก่งรู้ว่ากูเก่งนะรู้ทันอย่างนี้เห็นปีแลว้วกลัวรูนะ้ว่ากลัวเนี่ยเห็นปู่ย่าตายายตายไปละเห็นขึ้นมาอีกนะสงสารร้องไห้เลยโถมีโซ่ตรวนผูกมัดด้วยนะพ่อเรา ตอนเป็นๆอยู่ก็ว่าดีแล้วนะทำไมตอนนี้ถูกมัดโซ่มามาบอกเราสิว่าเนี่ยลาจากต้นนิ้วมาชั่วคราว mm. ใจนี้สลดสังเวชเลยสงสารความเศร้าครอบงําใจให้รู้ทันลงไปรู้ทันที่ใจนะสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่สําคัญสําคัญที่เรารู้ทันจิตจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้จิตยินดีจิตยินร้ายก็รู้รู้เข้าไปอย่างนั้น รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีเราสักอันเดียวมีแต่ของที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกรนะาทั่งตัวจิตเรามารู้ตัวจิตก็ไม่ใช่เพื่อจะเอาตัวจิตแต่เพื่อให้เห็นว่าจิตมันผันแปรไปได้เองมันไม่คงที่ตรงที่เห็นมันไม่คงที่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแสดงว่าเป็นอนิจจังตรงที่เห็นว่ามันทางานได้เองแล้วเป็นอนัตตาเนะี่ยดูไปก็ได้เรียกว่าได้ของจริงนะ นิมิตหมายทั้งหลายมีทั้งที่เป็นนิมิตที่จริงกับ น, นิมิตที่ปลอมไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายอะไรทั้งสิน้นนิมิตจริงกับ น, นิมิตปลอมมีค่าเท่าเทกันอย่างนั่งสมาธิเนี่ยเห็นเทวดาเนี่เทวดาจริงหรือเทวดาปลอมมีค่าเท่ากันนะสําหรับนักปฏิบัติเนีย่ยว่าแต่แค่นั้นเลยสุขทุกข์ยังเท่ากันเลยดีกับชั่ว ย, ยังเท่ากันเลยอาใจเรารู้ด้วยความเป็นกลางสัอย่างเดียว หลวงู่เทสบอกผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงกลางนี้มีหลายระดับนะกลางด้วยสติกลางด้วยสมาธิกลางด้วยปัญญากลางด้วยสมาธนะิเช่นมันร้อนมากใจทุรนทุรายทำความสงบขึ้นมาเย็นสบายไม่หวั่นไหวกับความร้อนอย่างเงี้ยนะกลางด้วยสติก็คือรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นความยินดียินร้ายดับจิตก็เป็นกลาง ส่วนกลางด้วยปัญญานั้นเป็นของใหญ่เป็นของสําคัญที่สุดเป็นจุดตั้งต้นแห่งอริยมรรคดงนั้นก่อนที่จะเกิดอริยมรรคได้นะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางก่อนเป็นเป็นกลางผะปัญญาอย่างเราเห็นสุขเกิดแล้วดับเห็นทุกข์เกิดแล้วดับเห็นดีเห็นชั่วเกิดดับไปเรื่อยๆทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับสุขกับทุกข์มันก็เท่ากันเพราะมันเกิดแล้วดับดีกับชั่วก็เท่ากันเพราะมันเกิดแล้วดับ งั้นเ ว, เวลาเจอความสุขจิตก็ไม่กระเพิ่มขึ้นเจอความทุกข์จิตก็ไม่กระเพิ่มลงเจอดีจิตก็ไม่กระเพิ่มขึ้นเจอชั่วจิตก็ไม่กระเพิ่มลงจิตที่ไม่กระเพิ่มบันไหวนะั้นก็ทรงตัวมีสมาธิขึ้นมาศีลสมาธิปัญญาแก่รอบนะีจิตจะทรงตัวเด่นดวงเข้าอัปปนาสมาธิโดยอัตโนมัติมันเข้าของมันเองเมื่อจิตเข้าอัปปนาสมาธิแล้วนะมันจะไปเดินปัญญาอยู่ภายใน ใช้เวลาไม่มากสองสามขณะเท่านั้นเองจะเห็นสภาวะภายในผุดขึ้นมาระดับไปไม่มีชื่อไม่มีชื่อเห็นทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับงั้นอย่างบางคนภาวนาเห็นระหว่างความคิดกับจิตมีสิ่งที่ไหวๆอยู่มันก็แค่ของเกิดดับไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องไปสําคัญมั่นหมายอะไรพอจิตมันยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจิมจะทิ้งการรับรู้อารมณ์ภายนอก กระทั่งตอนที่รวมเข้ามาแล้วนั้นมันวัยวขึ้นมานี่ก็อย่างของนอกเองทําไมมันเป็นของนอกเพราะพอมันทิ้งนั้นมันทวนกลับเข้ามามันทวนนะจิตมันทวนกระแสเข้ามาตรงที่มันทิ้งของข้างนอกเนี่ยมันไม่ใช่ปุถุชนละตรงที่มันทวนเข้ามายังไม่ถึงธาตุรู้เนี่ยมันยังไม่ใช่พระอริยะนะนี่ไม่ใช่อริยะสภาวะคาบลูกคาบดอกสภาวะเปลี่ยนผ่านเรียกสภาวะเปลี่ยนผ่าน จากความเป็นผู้ถูชนไปนสู่อริยชนเนี่ยใช้เวลาแค่ขณะเดียวแวบบเดียวท่านเองเปลี่ยนผ่านปุ๊บคล้ายๆเราอยู่บนเรือเรือเทียบฝั่งละเรือเทียบฝั่งแล้วก็กระโดดจากเรือขึ้นมาบนบกเท้าข้างหนึ่งข็พ้นจากเรือเท้าข้างหนึ่งก็ยังไม่ถึงบนฝั่งอะไรเงี้ยนี่ภาวะเปลี่ยนผ่านเนแวบบเดียวท่านเองถ้าเปลี่ยนผ่านนานก็ลงน้ําไปเลย นะจิตถอนจิตถอนไม่ได้มาผลนะจิตเข้ามาถึงธาตุรู้แล้วนะทวนเข้ามาถึงธาตุรู้ไม่ใช่ทวนเข้าหาจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้ยังเป็นคู่กับจิตผู้หลงอันนี้เป็นธาตุรู้ไม่มีคู่อะไรเป็นธาตุรู้เรียกว่าจิตหนึ่งเพราะมันไม่มีคู่เมืนะ่อทวนเข้าถึงธาตุรู้แล้วอาสวะกิเลสนะที่ห่อพุ่มจะถูกอริยมรรคทำลายแหวกออก จะแหวกฉีกขาดออกนะแล้วก็อริยมรรคก็เข้าไปทําลายสังโยชน์อยู่ในจิตใต้สานึกส่วนลึกถูกทําลายไปตรงนี้ใช้เวลาอีกขณะเดียวไม่มีสองขณะงั้นไม่ว่าเราจะภานาเก่งแค่ไหนนะในขณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเกิดหนึ่งขณะจิตแล้วในวัตตะในวัตตะสงสารที่พวกเราเปลี่ยนไหวไต่เกิดเนี่ยทุกคนแหละมีโอกาส เกิดอริยมรรคได้4ีขณะจิตเท่านั้นนะไม่มีขณะที่5ยังเป็นพระโสดาแล้วนะไม่ใช่ไปเกิดใหม่เป็นบุตุชนนะไม่เป็นหรอกแต่มันภาวนาไม่เป็นลืมแต่พอได้ยินธรรมะหน่อยเดียวมันก็กลับมาไม่ใช่เกิดอริยมรรคใหมนะ่ไม่ได้เกิดอริยมรรคใหม่อริยมรรคเกิดแล้วเกิดเลยไม่ไม่เสื่อมไปไม่เสียไม่ได้สูญหายไปตัวมันเน่ยเกิดแล้วดับนะ แต่คุณสมบัติที่ทําไว้แล้วเนี่ยมันล้างกิเลสอ่นนะตัวไหนถูกล้างแล้วจะไม่กลับมาอีกแล้วเราะฉนั้นไม่ใช่ว่าเป็นโสดาแล้วชาติหน้าเป็นบุตุชนอีกนะอย่างนั้นไม่ใช่ของจริงหรอกเพราะั้นในวัฏฏะเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเกิดอริยมรรคสี่ครั้งเท่านั้นเท่านั้นนะเวลาเกิดอริยมรรคแล้วนะสิ่งที่หอ่อพุ่มจิตมันแหวกออกนะจิตจะสว่างขึ้นมาเรียกว่ออาอโลโกุธปาทิแสงสว่างเกิดขึ้น แสงสว่างตัวนี้ไม่มีอะไรเหมือนนะเพราะบางคนนะขณะนั้นนะจิตเข้าอาัปปนาแล้วเข้าถึงอรูปฌานเลยไม่มีพระทิศพระจันร์เลยนะแต่แสงอันนี้ปรากฏขึ้นมาเป็นอาโลโกุทธภาทิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนี่ร่องรอยอันนี้ยังอยู่ในธรรมจักรร่นะองรอยของการบรรลุอริยมรรคตัวนี้มีส่วนรายละเอียดแห่งการบรรลุอริยมรรคกฤหปผลอะไรเนี่ยจะอยู่ในอภิธรรมนะอยู่ในคำเพียอภิธรรม เริ่แต่พิธรรมัฏฐสังคหะอะไรพวกนี้แต่ที่อยู่ในชั้นบาลีก็มีร่องรอยอย่างตอนท่ากวนธัญญาไดโสดาจากคุงอุทธปาธิดวงตาเกิดขึ้นแล้วญานอุทธปาธิความอย่างรู้เกิดขึ้นแล้วอย่างรู้อะไรอย่างรู้ไตรลักษณ์ปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิวิชานี้ล้างเอาวิชาล้างความโง่อันนี้รู้อริยสัจ เนะงานจริงที่รู้สภาวะของรูปนามรูปความจริงของรูปนามเนี่ยเป็นระดับปัญญาญาณ น, นี้เป็นตัวตามรู้ตามอย่างรู้นะปัญญาเป็นตัวความเข้าใจนะตัวตัววิชานี้มันรู้อริยสัจนะปัญญานะเข้าใจความจริงของรูปนามพอวิชาอุทธภาทิเกิดขึ้นแล้วนะก็เกิดอาโลโ ก, กุทธภาทิแสงสว่างเกิดขึ้นนะสว่าง แสงวับเึ้ดมาแต่ไม่ใช่นิมิตไม่ใช่นิมิตนะต้องระวังพอ<ม> แ, แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนะถัดจากนั้นมีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคือความร่าเริงใจเกิดขึ้นตัวนี้หลวงปู่ดนที่เรียกว่าจิตนะิมจิเป็นยิม้มงั้นตรงที่เข้าไปสู่ผลนะอันนี้ในตำราปริยัติจะไม่มีนะอันนี้เป็น ผู้ปาราชญ์เล่าเล่ากันมาฟังฟังไว้ฟังหูไว้หูอย่าเชื่อฟังประดับความรู้ไว้ว่าขณะที่หนึ่งนะมันว่างขณะที่สองมันสว่างขณะที่สา ม, มันร่าเริงบางคนมีสองขณะสว่างไม่ร่าเริงแต่อันนี้ไม่มีปริยัตินะอย่าเชื่อต้องระวังที่หลวงพ่อเทศบางทีขอวงพ่อก็เล่านิยายนิทานอันนี้ถือว่าเป็นนิยายนิทานนะ ฟังแกง่วงงันะ้นฝึกนะของดีของพิเศษอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้มีสิ่งที่ดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นยุคนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้ายัางอยู่ก็ถือว่าพระพุทธเจ้ายัางอยู่เพก็ทำมาวินไยเป็นตัวแทนของท่านนะวันนี้วันคลอนแคลนเต็มทีแล้ว จริงๆเนี่ยถ้าแก้ปัญหาวงการพระวงการอะไรนะด้วยธรรมวินยัยจริงๆไม่ใช่ปัญหามากเลยพระจริงๆท่านปกครองกันด้วยระบบอุปช า, าจารย์ไม่ใช่ปกครองด้วยระบบราชาการคือวันนี้เอาระบบราชาการสวมเข้ามาในระบบพระมีตำแหน่งใช่ไหมมีตำแหน่งก็ต้องมีการสู้การแย่งตำแหน่งมือซื้อตำแหน่งอะไรเงี้ยเนี่ยพระเอาระบบราชาการมาครอบพระ ก็ให้พระเป็นพระสี่อย่างพระป่านะหนูท่านง่ามงามบอกท่านก็อยู่ของท่านสงบสบายมีท่านก็ฉันไม่มีท่านก็ไม่ฉันอย่างเงี้ยนั่นก็มีความสุขของท่านนะพอครูบาอาจารย์สิน้นเหมือนต้นไม้ใหญ่ล้มนกกาก็บินไปอยู่ที่อื่นท่ไม่ได้อยู่ว่าฉันจะต้องเป็นตําแหน่งน้นตําแหน่งนี้เส้นทางนี้เส้นทางของคนเข้มแข็งนะ หลวงพ่อก็ไม่ได้สอนพวกเราให้มาติดหลวงพ่อว่าพึ่งคนโน้นพึ่งคนนี้ให้เอาธรรมะเป็นที่เกาะที่พึ่งไม่ใช่เอาคนเป็นที่เกาะที่พึ่งเกาะที่พึ่งเอาคนเป็นที่พึ่งปั้นหนึ่งคนมันตายไปทําไงเราก็ไม่มีที่พึ่งสิเงินสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะเหลือเฟือที่พวกเราจะปฏิบัติเหลือเฟือที่พวกเราจะพ้นทุกข์ด้วยตัวของเราเข้มแข็งนะอย่าเชื่อคนอื่นอย่าฟังคนอื่นมากเกินไป อย่าเชื่อตามตามกันเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ตัวใครตัวมันนะเมตตากรุณาช่วยเหลือกันได้ประครับประคองกันได้แต่ทางเดินของแต่ละคนเนี่ยเป็นทางเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นเราไม่เหยียบลอยกันทางของใครก็ของคนนั้นคนหลายคนไปกินน้ําบ่อเดียวกันนะเดินทางเดียวกันไม่เหยียบลอยกัน บางคนก็ใช้สมาธินำปัญญาบางคนใช้ปัญญานาสมาธิบางคนใช้สมาธิและปัญญาควบกันก็นะไม่เหยียบลอยกันจะ ใ, ใช้สมาธินำปัญญาบางคนก็ใช้แค่คณิกะสมาธิบางคนใช้อุปจาระบางคนใช้อัปปนาเนะี่ยอัปปนาบางคนก็ได้แค่ปฐมฌานบางคนได้ถึงฌานที่8อนะไรเงีนะ้ยแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนต้องใช้อารมณ์กรรมฐานที่เป็นอารมณ์บัญญัติเช่นพุทธโธพุทธโธ ทำสมถะบางคนก็ใช้อารมณ์รูปนำดูท้องพองยุบดูร่างกายหายใจอย่างี้บางคนก็ใช้นิพพานแต่นิพพานจะไปทำสมถะได้เฉพาะพระอริยะบุคคลพวกเราไม่เคยเห็นนิพพานเราทำได้แค่คิดถึงนิพพานคิดถึงความสุขความสงบสันติสุขอะไรนี่คิดได้เรียกว่าอุปัสสมานุสติแต่ว่าจิตจะไม่เข้าไปเห็นนิพพานหรอกอุปัสสมานุสตินั้นเป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณ์บัญญัติที่ยังคิดอยู่ นะงั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกหรือถ้าเราชำนาญเรื่องสมาธินะวันนี้อยากทำสมถะใช้อันนี้วันนี้อยากทำสมถะใช้อันนี้ชำนาญจริงก็ใช้ได้วันนี้จะแผ่มเมตตาก็ใช้ได้วันนี้จะทำกระสินอะไรอย่างนี้ก็พลิกไปพลิกมานะถ้าชำนาญล้วก็เล่นพลิกไปพลิกมาได้ แต่ตัวสมถะนะตัวที่เป็นแม่ใหญ่จริงเป็นแม่บทจริงๆเลยของสมถะนะคืออานาปนสติต้องเรียกว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่ของสมถะเลยอนาปนสติเนี่ยอนาปนสติเนี่ยนะถ้าเราหายใจแล้วมีสตินีได้สมาธิทั้งสมระดับเลยคณิกะก็ทําได้อุปจราระก็ได้อภปนาก็ไดนะ้แล้วจะเดินปัญญาตรงไหนละ่ะจะเดินปัญญา หายใจอยู่แล้วเดินปัญญาด้วยคณิกะสมาธิก็ได้ ใ, ไหใหายใจอยู่เดินปัญญาในอุปจาระก็ได้แต่ตอนนั้นลมไม่มีนะในอุปจาระเนี่ยไม่มีลมนะมีแต่แสงเป็นปฏิภาคนิมิตเนี่ยกรรมฐานนะสมถะมีเยอะแยะหรือจเจริญเมตตาแผ่เมตตาไปแรกๆ ก, ก็บริกรรมต่อไปใจมันแผ่เมตตาของมันได้เองนะมันเข้าถึงอรูปฌานนะ เลยลมหายใจอีกนะแต่ว่าจากลมหายใจเนี่ยต่อไปอรูปก็ได้เหมือนกันนะมีพลิกแผลงได้กว้างขวางมากเลยนะอนาปนสตินะอนาปนสติพลิกไปเป็นกระสินก็ได้อย่างเราดูลมหายใจเนี่ยมันคือกระสินลมเห็นลมผ่านช่องจมูกนะดูหรือตรงลมผ่านช่องจมูกเนะี่ยเห็นช่องจมูกนะคืออากาศสานะคือเพ่งเพ่งอากาศเพ่งช่องอากาศกสินเพ่งอากาศ หรกรสินเพ่งลมนะก็ทําได้จอจ่ออยู่นะจ้องจ้องจ้องไปลมก็กลายเป็นแสงเพรากรสินเนี่ยเล่นลงไปแล้วไม่ว่าจะกะสินตัวไหนนะสุดทธาธ้ายจะเป็นแสง้นะกลายเป็นแสงเงินที่เราหายใจแล้วกลายเป็นแสงนะเพราะมันพลิกไปเป็นกสินแล้ตรงนั้นเนี่ยพลิกต่อไปนะไปเป็นอภิญญาเนี่ยอานาปานสตินั้นเป็นตัวพ่อตัวแม่กว้างกว้างขวาง สมสถะตัวอื่นไม่ได้เท่าอนาปนาสตินี้เกนการเจริญปัญญานีถ้าเจริญธรรมานุปัสสนานะสูงที่สุดหรือถ้าลองลองมาเนี่ยดูจิตดูใจไปกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนิพพานไม่เกิดที่จิตนิพพานรู้ด้วยจิตพระนิพพานไม่เกิดถ้าดูจิตดูใจได้ไดนั้นก็คือเจริญปัญญาได้ตัวยอดเลย จะแจ้งอริยสัตว์อริยสัตว์ตัวสุดท้ายที่จะแจ้งคืออริยสัตว์แห่งจิตที่หลวงปู่ดูลสอนนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตธรรมจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นจิตว่ามันเป็นตัวทุกข์นั่นเองแจ้งว่าแจ้งในทุกขสัตว์พอรู้ว่าจิตเป็นตัวทุกข์จิตก็ปล่อยวางจิตจิตไม่ยึดถือจิตจิตไม่ยึดถือจิตนั่นคือสิ่งที่หลวงปู่ดูลยสอน นะพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจนถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอย่างเราหันดูจิตดูใจนะก็พลิกแปลงได้กว้างขวางมากนะเราดูจิตแล้วเราต้องการพักผ่อนแล้วก็จับที่ความรู้สึกว่างๆไว้ก็เป็นสมถะเราดูจิตดูใจให้เกิดสมาธิเป็นอรูปเป็นอะไรมันก็พลิกไปได้นะดูจิตให้เกิดปัญญาก็ได้ เห็นจิตเกิดดับเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์นกว้างกว้างงั้นดูจิตนะเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้นะพลิกแปลงได้มันอยู่ที่เราพลิกเป็นป่ส่วนใหญ่ที่ดูจิตดูจีกันมันไปดูเป็นสมถะไปดูว่างๆสนุกนะสิ่งที่ภาคปฏิบัติเนะ้่โหมันยิ่งเรียนยิ่งรู้สนุก ของไม่เคยเห็นได้เห็นนะไม่เคยรู้ได้รู้ไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจไม่เคยวางได้วางวางได้อัศจรันี่ได้วางอารมณ์ก่อนวางอารมณ์ได้เห็นจิตจับอารมณ์ไหมและจิตปล่อยอารมณ์ใครเห็นตรงนี้แล้วบ้างยกมือสิอันนี้มันเพลนมากเลยนะเคยเห็นไหมจิตไปจับอารมณ์จิตไปตะครุบความโกรธขึ้นมาอย่างนี้นแลรามันปล่อยได้นะเดี๋ยวก็ตะครุบได้อันนี้จิตจับอารมณ์นะอันนี้หมูง่าย ถ้าลองจากนั้นจิ ต, จตวางจิตวางกายปล่อยวางกายเวลาเราภาวนานะถ้าคนไหนเข้าถึงอัปนามาแล้วนะยิ่งเข้าถึงอรูปมาแล้วเนะี่ยไม่มีกายพอมันกลับมามีกายเนะี่ยจิตกัการมจะไม่เกาะกันอีกต่อไปแล้วอัตโนมัติเลยมันจะปล่อยวางกายวางวา ง, วางกายนะไม่ใช่ปล่อยวางนะจะปล่อยได้ด้วยปัญญาระดับพานาคาแต่มันวางจิตมไม่เข้าไปจับ ในตรงที่ปล่อยวางจิตได้เนี่ยในขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติแต่หา ก, กันตรงนี้คราวหนึ่งอยู่กับหลวงปู่นัหลวงปู่านั่งเก้าอี้โยกโยกแต่ว่าไม่โยกนะคนเอาเก้าอี้ท่านมีเก้าอี้อยู่คนก็อยากได้บุญซื้อเก้าอี้โยกมาให้ท่านนั่งท่านโยกเยกโยกเยกท่านเบียดหัวท่านอเอาขาเนี่ยยันพื้นไว้ขายัานไว้ไม่ให้มันโยกคิดดูสิ อยากทำบุญนะทำครูบาอาจารย์เมื่อยแทบตายเลยเม่ง้มันจะโยกโยกโยกท่านพูดเท่าท่านเรียนดูว่าขาอย่างที่พื้นไม่ให้มันโยกนั่งตรงๆเอียงก็ไม่ได้น่ะเดี๋ยวมันโยกเนี่ยอยู่กับท่านนะวัน้ท่านก็พูดขึ้นมาเราเพิจารณาดูแล้วนักปฏิบัติที่ว่ามีชื่อเสียงใหญ่ๆอาจารย์ใหญ่ๆนะอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ะ่างเี้ยเป็นผีใหญ่คือเป็นพรหม อย่างมากก็เป็นพรมเป็นอนาคาไม่ปล่อยวางจิตปล่อยวางไม่ได้นะแต่นี่ท่านไม่ได้บอกท่านพูดแค่ว่าเราดูแล้วล่ะสนใจเป็นผีใหญ่เดีวท่านก็เงียบท่านเงียบเราต้องเงียบถ้าเราพูดเนี่ยท่านจะไม่พูดต่อแล้วเราเฉยเฉยไปเดี๋ยวท่านอยากพูดท่านก็พูดของท่านเองแหละเพราะท่านเป็นอนัตตาเราไปสั่งท่านไม่ได้หรอกบางทีเรานั่งนัๆนะใจแล้วก็อยากถามอะไรเนี่ยนะ จากถามแต่อย่าไปพูดเฉยๆไว้ท่านเห็นสมควรตอบท่านก็ตอบให้ครูบาอาจารย์เ็าเป็นแบบนั้นไอ้ประเภทมันนั่งเมาส์กันน้ำลายกระจายไม่เคยเห็นนะครูบาอาจารย์ไปสงบสงบไปสมควรสอนท่านก็สอนท่านดูแล้ววันนี้เราเหนื่อยเต็มทีแล้วเราเข็นควายขึ้นภูเขาไม่ไหววันนี้ท่านก็อุเบกขาอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอม ว่าท anyway, <th> <men> ่านเหนื่อยแล้วเห็นไหมไม่ร้อนรู้สึกไหมทําไมไม่ร้อนจิตไม่ได้จับอยู่ที่ผิวกายร้อนเนี่ยเป็นธาตุเนื้อธาตุไฟธาตุไฟรู้ได้ด้วยร่างกายด้วยกายยัประสาทเส้นประสาทของร่างกายกายยัประสาทอย่างเดียวเนี่ยอย่างรู้อารมณ์ไม่ได้ต้องมีจิตประกอบด้วย จิตจะไปทํางานที่กายประสาทมีมานาสิกานจิตมีความใส่ใจเข้ามาที่กายแต่ถ้าขณะนี้จิตมานาสิกานอยู่ในธรรมะจิตก็ไม่ไม่รับรู้กายประสาทเนี่ยสัมผัสความร้อนแต่จิตไม่เอาถามว่ามันร้อนไหมมันก็อย่างร้อนอยู่ใช่ไหมแต่จิตมันไม่เอามันไม่รู้ฉะนั้นธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนี้แหละ สอนอย่างนี้ไว้นะกก็จะได้เห็นว่าจิตมันเป็นอนัตตานะเราสั่งมันไม่ได้หรอกมันจะรู้อันนี้มันก็ไม่รู้อีกอันหนึง่งมันก็รู้ได้ทีละอันด้วยอันเนี้ยถ้าเราไปพลิกแปลงก็พลิกแปลงได้นะอย่างเวลาเราไปทําฟันอะไรอย่างเงี้ยนะหวัดเสียวอะหวัดเสียวเนี่ยเราก็เอาจิตไปอยู่ที่หัวแม่เท้าเออกระดี่หัวแม่เท้าแล้วรู้สึกไปหมอก็ทําไปเราก็ไม่รู้นะหมอถอนผิดซี่ไปแล้วยังไม่รู้เลยนะะ นี่เป็นเรื่องของสมาธินะพลิกแปลงเอาไปใช้งานได้เยอะแยะไปแล้วแต่เราจะเล่นแต่จุดสําคัญเราต้องรู้ทันกิเลสรู้ทันจิตนะจิตดีดีดินดิ น, น line, ร้ายอะไรรู้ไปนะถ้ารู้ได้อย่างนี้ก็วันหนึ่งก็พ้นทุกข์แล้วได้จิตก็ได้ธรรมเสียจิตก็เสียธรรมอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองอันนี้หลวงปู่ดุลบอกได้จิตก็ได้ธรรมเสียจิตก็เสียธรรมพอไปนะ หายใจไปอยู่สบายๆหาย ใ, หใจนะเห็นร่างกายมันร้อนเห็นร่างกายมันเหงื่อออกเหงื่อออกอย่าไปลำคาญถ้าเหงื่อไม่ออกคือาตายเนะร้อนๆแล้วเหงื่อออกหายใจไปนะพอสมควรแก่เวลาละนะไปหายใจเอาเองนะ